ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่รบนปุตติยานกำลังนำเสนอเรื่องสมากิมันตาคือการงานชอบมันโดยลำดับแต่ปรปะว่าศีลคอบอนาธิบาติมีความสำคัญทั้งแนวกว้างและก็แนวลึกแล้วที่จะปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตนเองให้ประณีตขึ้น มันก่อนน้นได้ยกตัวอย่างเวลาทรงแสดงในเรื่องเหล่านี้โดยพิศดารเนี่ยจะทรงใช้คำว่าอาริยสาวกในโลกนี้งดเว้นจากปาณาทิปาตไม่พกพาสตราวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอนดูในสัตว์ทั้งหลายสึ่อเรจะนว่าเมตตาก็คือเมตตาเอนดูก็คือกรุณา หมายความาปฏิบัติพัฒนาไปแล้วจนจิตเนี่ยมันเข้าไปสู่กระแสะของพรหมิหารพรหมิหาร น, นั่นเป็นการเริ่มชี้เมตตาเกี่ยวความรักใคร่ปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขเป็นการพัฒนาจิตขึ้นมาคือลดโมหะลงไปเราจะว่าโมหะที่แรงเนี่ยมันมองเป็นเราเป็นเขาที่จะต้องห้ำหันกัน บางครั้งบางคราวขัดแย้งกันในเรื่องผลประโยชน์บางครั้งบางคราวก็ขัดแย้งกันในเรื่องคู่ครองบางครั้งก็อำนาจหน้าที่ตำแหน่งการงานบางครั้งก็ก่อการทะเลาะ ก, กันเป็นการส่วนตัวแต่ละอย่างนี่นำไปสู่การทำลายล้างกันได้ั้าลองสังเกตว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกในสังคมทุกวันโดยจะอานข่าวอะไรจากของใครก็ตามก็จะเห็นว่า แล้วก็วนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้ยเรื่องของผลประโยชน์ขัดแย้งกันผลประโยชน์เรื่องการเมืองเรื่องการก่อการทะเลวิวาสเรื่องปัญหาเรื่องชู้สาวหรือว่าต้ามหวานก็ป ร, ประมาณห้าอย่างเนี่ยห้าอย่างเนี่ยตำรวจก็จะตั้งตั้งไว้ก่อนสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่จะออกมา แ, แนวเนวตรงนี้ นั่นก็แสดงเห็นว่าการมองกันเป็นเราเป็นเขาที่รุนแรงแล้วก็ไปทําร่างทําลายร่างกันเนี่ยเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นเลิกพูดเรื่องสวัสดิภาพสวัสดิการเพราะมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะในชั้นศีลเนี่ยที่พูดมาแล้วเราจะเห็นว่ามันก็ออกมาในแนวของสวัสดิภาพคือหมายความว่าคนจะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขไม่เบียดเบียนไม่ประทุษรายกัน แต่ถามว่าเราอยู่ได้ไหมโดยทั่วๆไปเนี่ยก็ตอบไปอยู่ไม่ได้ในปางกันนี้อย่างที่โบราณได้พูดเราแม้เศรษฐียังรู้จักขาดไฟเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องทุ่งพาอาศรรยัยซึ่งกันและกันนะขาดเหลือก็เจอจานย์กันมันต้องปฏิบัติพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่า มีการโอบกอดมารเรือเพื่อเผื่อแผลสงเค็มเคราะห์กันในรูปของการสวัสดิภาพมันเกิดไม่ใช่คือสวัสดิการไม่ใช่สวัสดิภาพมันออกมาในรูปของสวัสดิการเป็นการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันโดยสันติก็กลายเป็นสันติสุขหรือสันติภาพของสังคม แต่ความรู้สึกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะการกระทําเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเรายังมองเป็นเราเป็นเขาเพราะาบทบัญญัติในทางพระพุทธศาสนาพอเรามองระดับศีลนี่เราจะเห็นไว้ชัดเจนคือเรามองเป็นเราเป็นเขาเหมือนกันแต่เราก็เคารพสิทธิในความเป็นเขา รับรองสิทธิในความเคารพสิทธิในความเป็นเขาเคารพสิทธิในทรัพย์ของเขาเคารพสิทธิในคู่ครองของเขาเคารพสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของเขาถ้าเราจะสื่อสารกับเขาเราก็สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเนื่องจาจริงๆเราเป็นคนปฏิบัติความดีเขาได้รับรู้เรื่องที่ถูกต้องเพราะนั้นเขายังไม่ได้ทำความดีนะให้เราสังเกตว่าเราทําความดีก่อน เราพูดจาคําที่ถูกต้องกับเขาตรงตามความเป็นจริงไม่มุสาวาดกับเขานั้นเราก็ได้มุดเว้นแต่มุสาวาดเขาได้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องถ้าเขาไม่เอาข้อมูลข่าวสารอ น, นั้นไปใช้ประโยชน์เขาก็ไม่ได้อะไรอะ่ะเพราะการทําความดีระดับนี้ให้ลองสังเกตแต่จริงๆเนี่ยเราเป็นคนได้ดีเป็นคนได้ทําความดีแล้วเราก็เป็นคนได้ดีประการต่อไปก็คือ จิตมันจะประนีดขึ้นไปถึงจุดหนึ่งคือมีความรู้สึกว่าจริงๆในโลกเนี่ยมันมีเรากับพวกเราเท่านั้นเองพวกเราก็เป็นคนอาศัยโลกด้วยกันเนะี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกจริงๆแต่ว่ามนุษย์มันอยู่ด้วยโลภะโมหะริษยาแข็งดีเลยก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นเจ้าข้าวเจ้าของโลกคื อ, อยังนก บางครั้งบางคราวเนี่ยไปทราบเรื่องว่าวัดบางวัดพระกขทะเลาะ ก, การองนั้นขัดแย้งองนั้นองนั้นขัดแย้งองนั้นแล้วก็บอกว่ามันทะเลาะอะไรกรันมันมีอะไรเป็นของเราเราไปในวัดเนี่ยเราก็มาอาศัยวัดเฉยแม้แต่สมภารเองเนี่ยฮะที่จริงก็คนอาศัยวัดเท่านั้นเองอำนาจหน้าที่นั้นเป็นหน้าตามกฎหมายไม่ใช่อำนาจตามพระธรรมบิดาเดี๋ยวหน้าที่กฎหมายให้ไว้ถือใช้ดีก็เป็นคุณนะ ใ, ใช้ไม่ดีก็เป็นโทษแกตัวท่านเอง แต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันก็รู้สึกอย่างนั้นคือข้ามแดนของความเป็นเราเป็นเขาไม่ค่อยได้ปัญหาการทะเลาะวิวาทจริงเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามองซ้งใหม่ว่าเป็นเรากับพวกเราล่ะเพราะโครงสร้างของพระเนี่ยเราเห็นชัดเจนะว่าพระพุทธเจ้าสร้างให้มีความรู้สึกว่าเป็นเรากับพวกเราร่วมอาจารย์ร่วมอุปชาร่วม ศึกษาเล้าเรียนร่วมปฏิบัติธรรมเป็นสาธรรมิกเคารพกันตามลำดับพันสาเอาใครกับใครไม่รู้มาสร้างให้อยู่ได้แข่งวิธีจัดองค์กรของพระเราเห็นชัดเจนนะว่าพยายามปฏิบัติพัฒนาไปจนถึงจุดที่มันเป็นธรรมะเวลาสอนพระจึงมักจะสอนในแนวของเมตตาเห็นว่าหลักการในการอยู่ร่วมกันของพระเนี่ยสงสอนเรื่องสาลานธรรม เพื่อเป็นการสร้างหลักการในการอยู่ร่วมกันด้วยความรักด้วยความเคารพแล้วก็เมื่อรักกันเคารพกันก็จะสงเคราะห์กันเมื่อสงเคราะห์กันรักกันเคารพกันสงเคราะห์กันก็จะไม่ทะเลาะวิวาดกันเมื่อไม่ทะเลาะวิวาดกันก็จะสาบปะขีกันสาบปะคีกันมันกลายเป็นเอกภาพแต่เราก็รู้สึกปุพันว่าเป็นหนึ่งเดียวกัน พอเมตตามก็ออกมาทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็พิสูจน์ด้วยไยพิสูจน์ด้วยการว่าถ้าเราเมตตาขันจริงนี่เราต้องเลร่ยแบ่งปันการเป็นการเลร่ยลาภผลแบ่งกันสงเคราะห์กันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แล้วพอถึงหลักการบิบัติแต่และคนก็ดำรงมั่นคงอยู่ในศีลอย่รักษาศีล ให้สเสมอกับคนอื่นอย่าปฏิบัติตนในมันแปลกแยกออกไปมันจะมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันแล้วข้อต่อไปก็คือจะปรับทิฏฐิคือความเห็นให้ตรงกันเพื่อไม่ให้เกิดเป็นความขัดแย้งด้วยการทะเลาะวิวาดกันถูกเิียงกันอะไรถูกอะไรผิดอะไรอะไรเนี่ยคนเราที่จริงถ้าเคารพหลักหลักเกณฑ์ต่างแล้วมันไม่จาเป็นต้องเถียง ใลารณีที่เรามีปัญหาในแวดวงวิชาการเนี่ยเรามักจะพูดคําว่าผมเห็นว่าความเห็นของผมแล้วก็มีคนที่ชอบถามความเห็นนะามาบอกไม่มีความเห็นแต่เราไม่ต้องการพูดเรื่องความเห็นทุกคนก็มีมีสิทธิเห็นได้แต่ถามว่าหลักการในเรื่องเแาเนี้ยพระพุทธศาสนาแสดงไว้อย่างไงแม้แต่ว่ามีการถกเถียงเรื่องสองปสกันในกรณีก็เหมือนกันนะแล้วว่าเอากฎหมายมาพูดอ่ะ คนหมายมาจานี้มันไปมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรง น, รงนี้เราไม่พูดอไม่พูดความเห็นเราแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าถามว่าในส่วนมาเองจะไปกระทบกระเทือนไหมเราก็คลัไม่กระทบกระเทือเนเราอายุตัง้งหกสิบแปดแล้วมาเดี๋ยวยเราก็ตายแล้วแต่เราเป็นห่วงบ้านเมืองเนี่ยจะเกิดความแตกแยกศาสนาพุทธเองจะถูกทําลายให้สารวันที่ลงทุกวันทุกวันเนี่ยนะแล้วก็สังคมพุทธเนี่ยมันจะเกิดแตกแยกกันทางศาสนา พอแตกแยกกันทางาศาสนามันก็นดึงน้ําเข้าลึกชักน้ําเข้าลึกชักสุดเข้าบ้านเพราะว่าศาสนาแต่และศาสนามันมีพวกอยู่ต่างแดนทั้งนั้นศาสนาคริสต์ส่วนให ญ, ญ่ว่ายโรบันคาตาลิกส่วนให ญ, ญ่ไป อ, อยู่ที่วาติกันอิสลามก็มีพวกอยู่ข้างนอกซิกก็มีพวกอยู่ข้างนอกพราหมก็มีพวกอยู่ข้างนอกศามนาบินดูก็มีพวกอยู่ข้างนอกทีนี้ถ้าเราอยู่กันด้วยความเคารพ สิทธิของการอะรกันไม่ก้าวไกลกันไม่รวงระเบิดกันเนี่ยไม่ดีกว่าหรือก็อทำนั้นเองมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ที่เป็นประโยชน์ส่วนส่วนของเราว่าเราจะได้จะมีจะเป็นอะไรมันก็คงไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรเพราะเราจะพูดถึงหลักการจะทําให้เวลาไปอภิปรายในเรื่องที่เกี่ยวกันไปนรู้การศึกษาเนี่ยเราจึงพบกฎหมายไยด้วยคือเปิดมาว่ากันเป็นมาตรามาตราเลยตามปกติอามาไม่ใน ไม่พกเอกสารแต่บรรยายที่ไหนก็ตามคือจะจะไม่มีเอกสารไปเรารู้หัวข้อแล้วเราก็พูดเลยแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายปัญหาข้อเท็จจริงกับปัญหาข้อกฎหมายปา<อ>ัญหาเรื่องอดีตหลักการในอดีตหลักการที่เขาคิดขึ้นใหม่ในปัจจุบันอะไรจะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าขัดแย้งกันยังไงต่อไปเราจะเป็นยังไงมีตัวอย่างที่ไหนนะเราก็ยกตัวอย่างมาให้ฟังก็ ไม่ใช่สร้างความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาแต่ที่จริงเรากับพวกเราอย่างน้อยก็อยู่ประเทศเดียวกันนะเพื่อนก็ต่างศาสนาิทเนี่ยศาสนิกที่ต่างศาสนาการเนี่ยที่จริงเราก็เป็นคนไทยด้ยวยกันแล้วไปอยู่ในประเทศเดียวกันเรามีพระหมหากษะสาพระองค์เดียวกันเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้ยวยกันนะไม่มีใครเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้อย่างแท้จริงในที่สุดมันก็ตายหมดมันเรื่องอะไรที่จะไปสร้างปัญหาขึ้นมา ดังนั้นความรู้สึกที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเจตคติหรือว่าวิสัยทัศน์โลกทัศถ์ก็แล้วแต่จะพูดนะนะครับมันต้องสร้างความรู้สึกใหม่เป็นความรู้สึกไม่ใช่ถูกต้องสมบูรณ์แต่ว่าเป็นความรู้สึกระดับธรรมะคือระดับสีเนี่ยมันเป็นเราเป็นเขาแต่ว่าเคารพจิตที่ของการและการไม่ร่วงละเมิดกันพอมาถึงระดับ ธรรมะนี่ไม่ใช่มันเป็นเรากับพวกเราขึ้นไปจนถึงสมาธิอนะมีเรากับพวกเราถามว่าถึงปรมาทสัจจะระย่างมันไม่ใช่ปรมาทสัจจะหรอกเพียงแต่ว่ามันระดับของธรรมะคือระดับของกุศลธรรมเพราะจริงๆแล้วไอ้ความเป็นเรากับความเป็นพวกเราหรือว่าของเรากับของพวกเราเนี่ยมันก็ไม่มีจริงอีกนั่แหละ พีงแต ว, ว่ามันเป็นระดับศีลธรรมจัญญาที่จะสร้างสังคมสันติคือให้แต่ละคนอยู่ร่วมกันโดยความปกติสุขด้วยความเป็นมิสนิส น, น, นมกันดังนั้นเมื่อพื้นฐานเรามองได้อย่างนั้นเมตตาเมื่อก็เกิดเมตตาไมตรีมิตรไมตรีเนี่ยมันก็คำเดียวกันนะนะที่นี่ความรู้สึกเมตตาเนี่ยมันเป็นอาการทางจิตที่ยอมรับนับถือสถานภาพของบุคคลอื่น ในฐานะที่ว่าเป็นพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมตตาจึงพูดไปในธรรมนองว่าเมตตาเป็นธรรมธรรมค้ำจุนโลกหมายความว่าคนจะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้เนี่ยก็ต้องอาศัยจิตใจที่มีความเมตตามุ่งดีปรารถนาดีต่อกันถ้าหากว่าจิตใจยังมีเมตตาอยู่แล้วเนี่ยจะ ไ, ไม่ใช่จิต จิตใจไม่มีเมตตาเนี่ยโอกาสที่จะรู้สึกว่าเป็นเรากับพวกเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะงั้นเมตตาบางครั้งบางคราวจึงรับการยกย่องสรรเสริญเอาไว้ว่าเป็นธรรมค้ำจุนโลกโลโกโปัต ถ, ถามิกาเมตตาเนี่ยเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกทีนี้ลักษณะของเมตตาเนี่ยบางทีท้าเรียกว่าโทุศนะฮะถ้าเราไปไปในอภิธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเรียกว่าโทศาุศ คือหมายความว่าเป็นสภาวะของจิตที่มีความไม่ดุร้ายเป็นลักษณะเพราะว่าไม่จะไม่รู้จะดุร้ายกับใครนะมันเป็นเรากับพวกเราแต่นั้นเองใจมันก็มุ่งดีปรารถนาดีแต่บุคคลดื่นบางครัง้งบางคราวมีแรงกระทบกระแทกกระทุง้งก็ไม่สะดุ้มวันไหวจงเกิดความโกรธหรือความพิโรธหรือความรุนแรงออกมา ลักษณะของเมตตาเนี่ยมันมีความเย็นความเย็นปรากฏขึ้นภายในจิตจึงทํ า, ท า, า, า, า, าทหน้าที่กระจัดความมาคาตปยาบาทหน้าที่ของเขาคือขจัดอาฆาตปยาบาทถ้ายังเหลืออาฆาตปยาบาทอยู่มันก็เมตตาไม่ได้ทีนี้ความมาคาตปยาบาทเราสังเกตว่ามันเป็นอาการของโมหะกับโทสะที่มาผสมกันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะทําให้เป็นเรื่อง เส้นอะไรล่ะจนไปคิดว่าคนนี้เคยทําอันตรายต่อเรามันเรื่องมันแล้วไปแล้วอะ่ะคนนี้เคยทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราแน่นอนไม่ดีแต่มันเรื่องมันแล้วไปแล้วแล้วคนนี้เคยทําอันตรายไม่ใช่เคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราเห็นไหมเขาทำความดีเนะ่ยแต่เราก็ไม่ชอบเขาเพราะว่าไม่ทากับคนที่เราไม่ชอบ ก็ไดความรู้สึกตัวเนี้ความรู้สึกเป็นเรากับพวกเรามันยังต้องไปะจายถ้าไม่กระจายแล้วเนี่ยมันไปชนักอยู่ในจุดหนึ่งว่าไอ้ น, นั้นไม่ใช่พวกเราหรือนั่นจะรูเราอย่างเงี้ยเกิดจะงักเลยก็จะทําดีนะก็ทําดีกับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็เกิดโกรธสาธได้เกิด อ, อาฆาตได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่น่าจะอาฆาตไม่น่าจะโกรธเครืองอะไรเขาเพราะเขาทาความดีแต่ว่าเราทำใจไม่ได้ทําเจไม่ได้อาการทางใจมันก็ออกมาในลักษณะอย่างเนี้ เดิบ า, บางครั้งเราก็มองว่าคนนี้กําลังทํ า, าทอันตรายต่อเรากําลังทําอันตรายต่อญาพี่น้องของเรากําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราก็จะเกิดโทสะขึ้นมาและเกิดอาฆาตขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มองเป็นคนนี้เป็นคนนั้นเป็นคนโน้นเป็นพวกเราทั้งหมดแล้วก็มีเมตตาไมตรีกับเขาคือบางครัง้งบางคราวเนี่ย ก็จะทําไม่ดีต่อเราก็ อ, อาจจะดุเราอาจจะทำหนี้เราแต่มันก็สมควรแก่การดุแก่การทำหนี้ก็ดีแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรแล้วประการต่อไปก็คืออาจจะมองไปสู่อนาคตคิดเอาเองเนี่ยปรุงคิดคิดปรุงกันมาเองนึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างโน้น จำนวนต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อศัตรูเราแล้วก็เกิดไม่โกรธแล้วกเกิดโกรธขึ้นมาแต่ว่าทัาน์เมตตาแล้วเนี่ยมันจะเย็นหมดอดีตมันเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตอนาคตมันยังไม่มาก็ไม่ปรุงทีนี้ปัจจุบันก็ ค, คือพวกเรา แต่ทีนี้ถ้าเรามองเป็นพวกเราได้เนี่ยดีก็คือพวกเรามันก็มองด้วยความสนิทสนิหามองด้วยความเป็นมิตรปัจจุบันก็เป็นพวกเราอนาคตก็เป็นพวกเราอากาศอาการอาคาตพยาบาทมันก็ไม่เกิดไม่เกิดใจไม่เย็นเพราะหน้าที่ของเขาก็คือมีความกันกำจัดความเ้าวร้อนด้วยเปลืงโทสะความอาฆาตพยาบาทอูโกรธจองร่างจองผานอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ถูกกระจัดออกไป คือกจาจัดความเล่าร้อนเป็นกิจหรือเป็นหน้าที่แล้วก็มีความร่มเย็นเป็นผลทีนี้การจะเกิดเนี่ยไอย้ยามที่บอกว่ามันต้องมีปัญญาถ้าเรียกว่ามันมีโยในโสมนสิกาคือการคิดโดยบายวีธีอันแยกคายแล้วมันจะบรรเทาไปได้เองบรรเทาไปได้เองอย่างนานมาแล้วนะฮะ คือฟังทางวิทยุของพระครูประกาศยังนึกยังนึกชมว่ามันมันเป็นความคิดแบบสามัญชนไม่ใช่ความคิดแบบนักปราดราชบัณฑิตอะไรที่จะต้องออวิจิตพิสดารแล้วก็สื่อสารก็โดยภาษาทางวิชาการเนี่ยกขบอกว่ามีโจรสองคนนะมาปล้นวัวของคนคนหนึ่งชื่อนายดำอยู่ทางอุทยาเนี่ย แล้วก็คุมไปนะฮะคื อ, ค อ, คอไม่ได้แสดงพิรุธอะไรก็มีข้อแม้ว่าให้นายดำก็จูงวัวไปแล้ว ก, ก็เดินตามไปนะเดินคุมไปก็คุยสนทนาปราศัยใกล้กล้เพื่อนฝูงมาซื้อวัวด้วยกันด้อนองนั้นน่ะก็ไปถึงในสถานที่หนึ่งเนี่ยพวกนี้ก็เตรียมจะฆ่านายดำในหมกไว้นาะยดำก็ขอไปอาบน้ำในแอ่งน้ำ พอเดินทางมาก็ร้อนขอตายเย็นๆหน่อยแล้วพอดีตอนจะลงไปในแอ่งน้ําเนี่ยแกก็ได้ยินเสียงแต่ไม่รู้เสียงนั้นมาจากไหนบอกว่าในดำสองคนเนี้ยชาติก่อนเนี่ยแกฆ่าเขามาชาติเนี้ยเขาก็มาจองเวนีนแกจะจะฆ่าแกแล้วแกก็ฆ่าเขาก็หมกไว้ตรงเนี้ยกระชี้ต้นไม้บอกต้นไม้ให้ดูแต่ต้นไม้มันโตแล้วอะ่ะ ก็ตกลงใจก็กขึ้นมาเล่าสองคนนี้ครับวันนี้ผมได้ยินมาอย่างเนี้ก็อยากจะพิสูจน์ดูหน่อยเพราะว่าต่างคนดังก็ไม่เคยมาที่นั้นด้วยกันนะนะในสุดก็ตกลงพิสูจน์ขุดขึ้นไปลึกไประดับหนึ่งเนี่ยก็เจอศพผู้ชายสองศพในโจทย์สองคนมาเริ่มคิดนะชาติก่อนนายดำฆ่าเราชาตินี้เราฆ่านายดำ จาโนนในดําฆ่าเราจาโนนเราฆาในดํามันกลายเป็นกรงกรรมกรงเกวียนที่หาที่ยุติไม่ได้ในสุขความคิดแบบโจร น, น่ะนะโจรคนหนึ่งกับชาวนานคนหนึ่งนี่เขาคิดกันเนี่ยเขาบอกว่าพวกเราต้องเลือกแล้วต่อกันเนี่ยนะคือชาก่อนแกฆ่าพวกเราสองคนก็เป็นเลอกแล้วต่อกันชา น, นี้เราไม่ฆ่าหรอก นะเพราะว่าชาติหน้าถ้าเราฆ่าคุณชาตินี้ชาติหน้าคุณก็ฆ่าเราต่อแล้วก็ไม่ต้องอยู่ปกติสุขกันก็ยุติเวรไัยก็จับมือเป็นมิตรเป็นสาหายกันเห็นไหมมันจับเป็นเราเป็นเขาที่จะห้ามหันทำลายล้างกันเพราะว่าความคิดยังไม่เป็นระบบมันคิดแต่จะได้แล้วก็กลบเกลื่อนความผิดของตัวเองที่ไปลักขโมยโคก็ามา แต่ตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราคิดในมุมอื่นมันก็คิดได้นะแต่เขาไม่คิดเองคือชีวิตคนโดชีวิตโคี่ะมาแรกก็ได้ยังไงในเมื่อเขาให้โคแล้วก็ไม่ควรจะเอาชีวิตเขาคิดตรงนั้นก็ได้นะะคิดตรงนั้นก็ได้และทีนี้ว่าคิดว่าถ้าเราถูกจับละ่ะแต่เราถูกจับเราได้โคคู่หนึ่งนะนั่นเองเนี่ย ราคาเรากับราคาโคมันเท่ากันเลเห็นว่าที่จริงมันด่นในสงฆนักศึกษามันเกิดได้หลายจุดเพียงแต่ว่ายังไม่มีแรงกระแทกใจมากพอพอไปเห็นศพตัวเองในชาติก่อนนะฮะมันก็เชื่อกรำเชื่อสองังสารวัฏเชื่อชาติก่อนขึ้นมาหรือเชื่อกำรรขึ้นมาแล้วก็เชื่อสนิทนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่างคนต่างไม่เคยมาในป่าตรงนั้น นายดำจะรู้ได้ยังไงว่ามีขลังศพไว้ต้นพื้นดินมันก็เรียบหมดแล้วนะไม่ไนะมีร่องรอยอะไรเลยแต่ว่าคุดขึ้นมาก็เจอศพมันก็ได้ความคิดว่าบาป ก, กรรมมีจริงในะโลกสวรรค์มีจริงชาติหน้ามีจริงเห็นไหมกระบวนการความคิดมันเกิดเปยู่ในสู่ใ น, สนิสุในการที่เป็นระบบขึ้นมาเป็นระบบมันก็ได้คิดเราแต่ชาตินี้เราค่านายดำชาติโน้นนายดำก็ฆ่าเราต่อ ชาที่แล้วในําฆ่าเราชาหนี้เราฆ่าในดำชาโน้นในดําก็ฆ่าเราก็กลายเป็นอยู่ในสมัยในการเกี่ยวความคิดที่เป็นระบบควาคิดที่เป็นระบบีนโลภะโทสะมันลดฉนั้นประเห็นว่าจิตมันไปสงบที่ตัวโทสะสงบสงบที่ตัวโทสะมันก็กลายเป็นเมตตาเมตตาความคิดฆ่าไม่มี เป็นความมุ่งดีเป็นความปรารถนาดีเป็นหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อกันมันจะพูดอะไรจะทําอะไรจะคิดอะไรเนี่ยมันพูดทําคิดโดยเมตตาเราจะพบบ่อยนะฮะเมตตากายกรรมังวจิปิตังโหติเมตตาวจีกรรมังปัจจุปติตังโหตินี่จะพบบ่อยคือเข้าไปตั้งจิตที่ประกอบด้วยเมตตาจะทําอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรกับใครเนี่ยให้ทําให้พูดให้คิดโดยเมตตา จิตมันก็ปรับสภาพกับมันหมดเลยนะกลายเป็นคนสัตว์ซึ่งเราเคยมองเป็นเขาเป็นเราเนี่ยเป็นของเขาเป็นของเราในกะลายเป็นเรากับพวกเราของเรากับของพวกเราเลยเขา้าเขารบซึ่งกันและกันไอของเราเนี่ยกลายไปเอาไปบริการเพื่อนได้บําบัดงุ บำรุงสุขแก่เพื่อนได้ของเพื่อนก็เอามาบันทุปั้มลุกสุขแก่เราได้บางก็เลยสวัสดิภาพก็กลายเป็นสวัสดิการกลายเป็นการสร้างสารรค์พัฒนาให้เกิดการอยูร่วมกันโดยปกติสุขดังกล่าวท้องฟังทั้งหลายใต้รมพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ที่เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง่ว ง, งามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี